คำ ว, ว่าพุทธมันหมายถึงการคุณสมบัติที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพระพุทธองค์นะได้ชื่อว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเรียกว่านี่เป็นคุณสมบัติสำคัญของพระพุทธองค์ รู้ตื่นเบิกบานอย่างถึงที่สุดจนความทุกข์และก็กิเลสเนี่ไม่อาจจะจับต้องได้พวกเราซึ่งเรียกตัว่าเป็นชาวพุทธนะก็ต้องอพยายามเดินตามรอยพระพุทธองค์ในเรื่องนี้คือทำความตื่น ความรู้ความเบิกบานให้เกิดขึ้นตื่นนี่ก็คือตื่นจากความหลงเราตื่นจากความหลับนะยังไม่พอต้องตื่นจากความหลงด้วยหลงใงที่นี้นะก็หมายถึงหลงตัวลืมตน หลงในอารมณ์ถูกครอบงำด้วยอวิชชาถึงแม้ว่าการหลุดพ้นจากอาวิชชานะยังไม่ได้เกิดขึ้นกับเราแต่ว่าการตื่นจากความหลงที่เป็นความหลงเพลินในอารมณ์อันนี้เป็นสิ่งที่เราทำได้ ทำได้เดี๋ ynn ีนะ้เวลานี้หนะลงในอารมณ์หลงที่เป็นความเพลดิดเพลินในอารมณ์ก็ได้หรือว่าหลงแบบจมหายเข้าไปในอารมณ์ก็ไดนะ้สิ่งที่ช่วยทําให้เราหลุดจากความหลงที่ว่าเนี่ย ก็คือความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวอย่างที่เคยพูดไ้แล้วว่าความรู้สึกตัวในทางธรรมเนี่ยมันไม่ได้หมายความเพียงแค่ความรู้สึกตัวเมื่อตื่นจากความสลบสไลด์หรือว่าตื่นจาก ฤทธิ์ของยาชาคนที่ผ่าตัดเสร็จนะแล้วก็ยามันหมดฤทธิ์นะก็เริ่มรู้สึกตัวแล้วลนี้เรียกว่าความ ร, รู้สึกตัวในทางการแพทย์หรือความรู้สึกตัวอย่างสามัญคนที่สลบแล้วก็เริ่มจะรู้สึกตัวเริ่มจะพูดคุยรู้เรื่อง อันนี้ก็เรียกว่าเริ่มรู้สึกตัวแล้วแต่ว่าความรู้สึกตัวในทางธรรมนี่มันมากกว่านั้นมันหมายถึงการที่จิตเนี่ยอยู่กับเนื้อกับตัวจิตไม่ไหลไปในอารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียง เวลาเห็นภาพเวลาดูหนังเนี่ยจิตเราไหลาไปสู่ภาพเหล่านั้นตอนนั้นเราก็เรียกว่าลืมตัวแล้วไหลไปในอารมณ์ภายนอกหรือว่าลอยไปอดีตบ้างไปอนาคตบ้าง เมื่อไรก็ตามที่ใจเราลอยไปอดีตย้อนถอยหลังกลับไปนะถึงวันวานอันหวานชื่นหรือว่าเหตุการณ์ที่เจ็บปวดตอนนั้นเราลืมตัวไปแล้วเราไม่รู้สึกตัวหรือว่าลอยไปอนาคตไปยังภาพปรุงแต่งที่เราลึกว่ามันจะเกิดขึ้น จนบางทีเนี่ยเห็นมันเป็นจริงเป็นจังหรนะือว่าต้องเกิดแน่ๆเสร็จแล้วก็เสียใจหรือว่ากลัดกลุ่มใจกับภาพที่ปรุงแต่งขึ้นถ้าทงที่มันยังไม่เกิดนะแต่ว่าหมดตัวไปแล้วนะกับภาพอนาคตที่วาดเอาไว้หรือบางทีก็เพลิดเพลินกับภาพที่ปรุงแต่งขึ้นที่เรียกาฝันกลางวัน จะได้ไปเจอคนรักหรือว่าได้ไปเทีย่ยวในต่างประเทศที่หมายมั่นอยากจะไปมาหลายปีแล้วก็ฟุ้งว่าได้ไปอยู่นั่นแล้วถึงนั่นแล้วก็มีความเพลิดเพ ล, เพลินมีความสุขมีความปลาบปลื้มอันนี้ก็เรียกว่าไม่รู้สึกตัวนะใจมันลอยไปแล้ว ไม่ว่าหลายหรือลอยนะในสุดก็จมจมอยู่ในอารมณ์อารมณ์ที่น่ายินดีอารมณ์ที่น่ายินร้ายคือความเพลิดเพลินก็มีนะความทุกข์ความเสียใจก็มีพอจมในอารมณ์แล้วมันก็ยึดอยู่ในอารมณ์นั้นนะไม่อยากจะออกไม่ใช่แต่อารมณ์ที่เพลิดเพลินแม้แต่อารมณ์เศร้า ความโกรธความเสียใจจิตมันก็ควา้าอารมณ์นั้นไว้อย่างเหนียวแน่นปากตรึงไม่ยอมถอนออกมาง่ายๆให้ปล่อยให้วางก็ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางหลายคนก็รู้นะว่าควรปล่อยควรวางแต่ว่าก็มักจะพูดว่ามันปล่อยวางไม่ได้มันวางไม่ได้เสียที เพราะอะไรเพราะว่าใจมันไม่ยอมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของความจริงที่ว่าจิตเป็นอนัตตาคือมันไม่ใช่ของเราถ้ามันเป็นของเราเราก็สั่งได้ควบคุมได้บางทีหมาเนี่ยเรายังสั่งได้ง่ายกว่าหมาที่ฝึกดีๆนี่สั่งได้ทุกอย่าง เอาอาหารให้มันเอาขนมให้มันวางไว้ข้างหน้ามันแล้วก็บอกให้รอมันก็รอนะมันรอจนน้ำลายยืดเลยนะมีเพื่อนนี่เพื่อนมีหมาตัวหนึ่งนะไปเลี้ยงตอนอยู่อเมริกาแล้วกลับมาเมืองไทยก็เอามาด้วย เขาก็ฝึกไว้ดีพอประมาณมันยอมทำตามคำสั่งทุกอย่างวางขนมไว้ข้างหน้ามันแล้วก็บอกให้รอมันก็รอเนี่ยแล้วมันไม่แต่ไม่ต้องอาหารนั่นเลยหรือขนมนั่นเลยทั้งที่มันชอบน้ำลายมันก็ยืดด้วยความอยากแต่มันบังคับใจได้ ต่อเมื่อสั่งว่าเอากินได้แล้วมันก็ถึงรีบความหมับไปเลยแต่ใจเรอนี่หลายคนจะพบว่าสั่งอย่างนั้นไม่ได้สั่งให้วางมันก็ไม่ยอมวางทัง้งที่รู้ว่าแบกเอาไว้ก็เป็นทุกข์อันนี้ว่าจิตมันปักตรึงอยู่ในอารมณ์ แล้วก็กลายเป็นความยึดติดนะเวลาโกรธนะจิตมันหวงแหนความโกรธมากนะมีเพื่อนแนะนำให้ให้อภัยเขาสิไม่ยอมนะไม่ยอมให้อภัยฉนันทั้งที่รู้ว่าความโกรธมันเผาลนใจแต่ฉนันไม่ยอมให้อภัยมันเด็กขาด จะอาฆาตมันไปจนถึงวันตายตายแล้วก็ไม่เผาผีนอกจากไม่อภัยแล้วนี่ใครที่แนะนำให้ว่าให้อภัยเขาเนี่ยก็จะโกรธเขาด้วยนะแทนที่จะเชียร์ cheer, แทนที่จะส่งเสริมแทนที่จะดุ ด, ด่าไอคนนั้นกลับบอกว่าให้อภัยมันไม่ใช่เฉพาะความโกรธนะความเศร้าก็เหมือนกัน เวลาเศร้าในใจมันก็จมดิ่งปักอยู่ในความเศร้าใครมาชวนไปเที่ยวก็ไม่ไปนะจะไปเจออารมณ์ใดๆนะที่ทำให้ไถ่ถอนจากความเศร้าก็ไม่ยอมฟังเพลงก็จะฟังเพลงแต่เพลงมันเพลงที่เศร้าๆนะยิ่งเศร้ายิ่งชอบนี่ือว่าใจมันจมมันปักมันตรึง อยู่ในอารมณ์และยิ่งทำเชนนั้นก็ยิ่งไม่รู้สึกตัวแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกตัวขึ้นไไเมื่อไหร่นี่มันมันหลุดไปจากอารมณ์นั่นได้เลยนะพอมีสติพบนี่ความรู้สึกตัวเกิดขึ้นคนที่โกรธมากๆคนที่เกลียดมากๆนี่พอมีคนเตือนดีๆนี่ได้สติ ปากอาจจะเตรียมด่าแล้วหรือว่ามืออาจจะเตรียมทำลายแล้วลูกร้องลูกขอร้องได้สติขึ้นมาเลยพอได้สติขึ้นมาปุ๊บความสึกตัวเกิดขึ้นมันหลุดไปจากอารมณ์นั้นเลยนะมันวางได้ทันทีอันนี้เรียกว่าตื่นจากหลงนะความหลงในอารมณ์ไม่ว่าอารมณ์ที่เพลิดเพลิน ยินดีหรืออารมณ์ที่โกรธอยากผลักไสก็ต่างความรู้ความตื่นเบิกบานของชาวพุทธเนี่ยมันเริ่มจากความรู้สึกตัวอันนีเน้เป็นจุดเริ่มต้นเลยถ้าไม่รู้สึกตัวแล้วเนี่ยไอ้รู้อย่างอื่นเนี่ยหรือตื่นจากอวิชชาเนี่ยย่อมเป็นไปได้ยาก เราจะยังไม่ตื่นนะอย่างแท้จริงนะแต่เราก็ขอให้รู้สึกตัวเอาไว้ก่อนเพราะว่ามันทําได้เลยมันทําได้เดี๋ยวนี้ตอนนี้นะสลัดจิตออกจากความง่วงนะอย่าปล่อยใจถลายไปตามความง่วงเนี่ยพอรู้ปุ๊บนี่มันตื่นเลยนะสิ่งที่จะทําให้สิ่งที่เป็นปฏิปัติต่อความรู้สึกตัวเนี่ย ก็คือนิวรห้านะนิวรห้านี่ตัวแรกคือความง่วงนะง่วงจนบางทีนั่งสับพระงกนะหัวก็พะงงกพะงงกอันนี้เรียกว่าไม่รู้สึกตัวแล้วนะนอกจากความง่วงแล้วนะมันก็มีความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านจิตฟุ้งปรุงแต่งนี่ก็ทำให้ใจ ลอยใจหลายไปอดีตอนาคตมันก็ไม่รู้สึกตัวนะอย่างที่พูดไวแล้วนอกปฏิบัติที่จะเจอนิวรนตัวนี้มากนะโดยเฉพาะเมื่ อ, อผ่านความง่วงมาได้ตอนง่วงนี่มันมันไม่มันไม่นึกไม่คิดอะไรเลยแต่พอหายง่วงนี้โอ้มันฟุ้งใหญ่เลยอย่างเช่นตอนเช้ามืดเนี่ยนะมันจะง่วงเป็นเป็นหลัก จะไม่ค่อยนึกคิดอะไรเท่าไหร่แต่พอเริ่มสว่างหรือสว่างนี่ความฟุ้งซ่านจะมานะการปฏิบัตินะหลายคนเนี่ยจะชอบช่วงเวลากลางคืนเพราะว่าจิตนี่มันไม่ฟุ้งมากไอการเจริญสมาธิภาวนาจะทำได้ดีด้วยเหตุ น, นี้พระพุทธเจ้าเนี่ยสัตรงตัสรู้ธรรมเนี่ย ก็ในช่วงคืนตั้งแต่ยามหนึ่งยามสองแล้วก็มาถึงยามสามไม่ได้ตัดสรุปตอนกลางวันนะอาจจะเป็นเพราะว่ากลางวันนี่มันเป็นช่วงที่จิตนี่มันมันตื่นแล้วจกกนกระทั่งกลายเป็นฟุ้งไปท่าอาจากเวอรธาก็เคยบอกว่าเนี่ยช่วงเวลาที่กลางคืนหรือเช้ามืดเนี่ยนะ มันเป็นช่วงเวลาที่จิตเนี่ยมันเหมือนกับน้ำที่ยังไม่เต็มแก้วคือยังไม่เต็มด้วยความคิดนะเป็นเวลาที่เหมาะการภาวนาแต่ว่านักภาวนาใหม่ๆเนี่ยก็จะง่วงแต่พอจิตปรับได้ใจปรับได้ความง่วงก็จะค่อยๆเลือนหายไปมันจะมีความตื่นและการภาวนาก็จะทาได้ดีแต่พอเริ่มสว่าง แล้วก็หรือว่าพอเข้าตอนสายแลยนะ้วเนี่ยจิตมันจะเบี่ยงไปทางหนึ่งนะก็คือว่าสสา่สายมากนะเพราะว่ามันตื่นมันเริ่มกระชุ่มกระชวยจนเป็นความฟุ้งซ่านไปเลยความง่วงก็ดีนะความฟุ้งซ่านก็ดีนะอันนี้ก็เป็นแค่สองตัวแรกของนิวรณ น, นะมันมีตัวอื่นอีกนะ เช่นการมาฉันทะนะก็คือความาปรารถนาในรูปรสกลิ่นเสียงที่น่าพอใจผูง า, าคือความโลภนะพอจิตมันมีความโลภแล้วเนี่ยมันอยู่เฉยไม่ได้แล้วนะมันจะเกิดการดินลน์แสสายแสวงหาเนี่ยตันหานำไปสู่อุปทานอุปทานคือความยึดติดไอ้โลภากับตันหานี่ก็ตัวเดียวกัน พอมีแล้วเนี่ยมันก็เกิดอุปท า, านมันก็ยึดติดมันดิ้นลนมันแสวงหาเกิดสิ่งที่เรียกว่าปริเยสนานะคือความแสบสายอยากจะเอาให้ได้อยากจะเอาให้ได้ไดถ้าไปนึกถึงรสชาติที่อร่อยอร่อยที่บ้านเนี่ยมันก็อยากจะออกจากวัดกลับไปบ้านบางทีอยากจะสึกขึ้นมาเรียกว่าร้อนผ้าเหลือง อันนี้ก็ร้อนโดยอำนาจของการมาชันทาก็ได้ซึ่งมันไม่ใช่เป็นเฉพาะเรื่องเมถุนธรรมหรือว่าเรื่องเพศตรงข้ามอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้สมัยตอนที่อาตมาบวชใหม่ๆอยู่ที่วัดสนามในอยากจะสึกนะเพราะว่ามันมีหนังดีๆหลายเรื่องเข้ามามาใช้ในโรง ตอนนั้นคือหนังเรื่อง E ีทนะกับคาร์ท2เรื่องนี้น่าดูทั้งนั้นเลยก็รอว่าเมื่อไหร่จะครบกำหนดศึกสัทีนะตอนนั้นกําหนดศึกสามเดือนนับวันนะเห็นพระใหม่ศึกนะแล้วก็อยากจะศึกตามเข้าบ้างอยากจะไปดูหนังนะอีทีกับคาร์ทแต่ก็สุดท้ายก็ไม่ได้ดูนะเพราะว่าบวชยาวเลย เพราะว่าตอนหลังมันมีความสุขจากการปฏิบัติมาทดแทนแล้วให้ความสุขจากหนังก็กลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปแต่ว่าเนี่ยมันก็ทาให้เกิดความหลงความรู้สึกตัวก็หายไปเพราะการมาฉันทะซึ่งก็มีหลายระดับพยาบาทนะความโกรธก็ทาให้ยิ่งลืมตัวไม่รู้สึกตัวก็ไปใหญ่ มันคิดแต่จะเล่นงานคิดแต่จะแก้แค้นคิดแต่จะผลักสายออกไปอันนี้ก็รู้กันดีอีกตัวนึ่งคือความรังเลสงสัยนะความรังเลสงสัยนี่ก็เป็นปัญหาของนักปฏิบัตินะแล้วก็ไม่ค่อยได้ตระหนักเฉลียวใจนะว่ามันเป็นปัญหาอย่างไรบ้าง เวลามีความสงสัยก็หมกมุ่นคุนคิดเพื่อที่จะหาคำตอบถ้าไม่รู้คำตอบก็อยู่เฉยไม่ได้วางไม่ได้นักปฏิบัติก็จะมีความสงสัยเยอะเพราะและพอสงสัยแล้วนี่ถึงจุดหนึ่งก็จะงุนงานแล้วเกิดอาการทีอุทธัจจกุุจจรเนี่ยไม่สงบนะอยู่ไม่เป็นที่ เราต้องอยู่กับความสงสัยได้นะมันจะมีความสงสัยยังไงก็อย่าให้มันครอบงำใจก็ดูมันไปอยู่กับมันได้อย่าต้องพยายามกำจัดหักล้างความสงสัยด้วยการพยายามหาคำตอบที่น่าพอใจอยังสงสัยยังไม่รู้ก็ช่างมันอย่าให้มันมารบกวนจิตใจ ไม่ใช่ว่าคนเรานี่จะสงบได้โดยที่ปราศจากความสงสัยมันมีได้นะแต่ว่าไม่ให้มารบกวนใจฉนะชั้นเดียวความโกรธความเกลียดอาจจะเกิดขึ้นในใจของเราได้อย่าไปเสียใจถ้ามันจะเกิดขึ้นแต่ว่าก็อย่าทุกข์กับมันนะมันเกิดขึ้นก็ดูมันไปนะ ความเบื่อก็เช่นเดียวกันไอ้พวกนี้มันล้วนแต่เป็นปฏิปักษ์ต่อความรู้สึกตัวแต่ถ้าเกิดเมื่อใดตามที่เราจับหลักได้มีสติมีความระลึกได้ไม่ลืมกายไม่ลืมใจเวลาใจมันลอยมันไหลไปข้างนอกไปไหลไปอดีตอนาคตก็ระลึกได้ว่ากําลังทําอะไรอยู่เช่นขณะที่นั่งอยู่นี่ใจมันไหลไปข้างนอกแล้ว ลอยไปอดีตแล้วหรือว่าจมอยู่ในความง่วงมีสติระลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ไม่ใช่กำลังนอนแต่ว่ากำลังฟังไอความระลึกได้ตรงนี้มันจะดึงจิตออกมาจากอารมณ์มันจะดึงจิตออกมาจากอดีตจากอนาคตกลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวพอจิตกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อไหร่นะความสึกตัวเกิดขึ้นทันที สติกับความสึกตัวหรือความหรือว่าสัมปชัญญะนี่มันจึงเป็นพี่น้องฝาแฝดกันจะมีความรู้สึกตัวหรือจะมีสัมปชัญญะได้ต้องมีสตินะมีความระลึกได้ก่อนแต่ระลึกได้ที่ว่าไม่ใช่ระลึกเรื่องข้าวของเงินทองกุญแจหรือว่ารถนะอันนั้นมปนเรื่องนอกตัวแต่หมายถึงการระลึกได้ เรื่องกายเรื่องใจไม่ลืมกายไม่ลืมใจที่ฟุ้งไปเพราะมันลืมใจนะแล้วพอลืมใจแล้วก็ลืมกายไม่รู้ว่ากําลังทําอะไรอยู่นะมองเขาก็ฝันไปแล้วโดยที่ไม่รู้ว่ากําลังนั่งอยู่กําลังฟังอยู่นะอันนี้ว่าลืมกายแล้วนะแล้วพอลืมกายนะมันก็กลับมันก็ยิ่งส่งเสือไม่ลืมใจหนักเข้าไปใหญ่ แต่พอมีสตินะไม่ลืมกายไม่ลืมใจอา้าวจิตกลับมาอยู่กับเนืน้อ ก, ก, กับตัวเกิดความรู้สึกตัวและพอรู้สึกตัวนะมันก็จะเบามันจะเบามันจะโปร่งเพราะว่ามันวางอารมณ์ต่างๆลงได้มันไม่ใช่แค่วางอารมณ์นะมันวางความมันวางตัวกูลงได้อย่างที่บอกไว้แล้วว่ารู้สึกตัวเมื่อไหร่เนี่ยให้ตัวกูก็หายไป แต่ถ้าลืมตัวเมื่อไหร่หรือไม่รู้สึกตัวเมื่อไหร่ตัวกูก็เข้ามานะเป็นเจ้าข้าเจ้าของกายและใจเต็มที่เลยแต่อย่างที่บอกไว้เราตัวกูไัไม่มีจริงนะันมเกิดจากการปรุงแต่งเมื่อไม่รู้สึกตัวเมื่อไม่เซ็ตไม่มีสติมันก็เข้าไปในความหลงและความหลงก็ปรุงแต่งตัวกูัขึ้นมาและพอมีตัวกลแล้วก็มีของกูตามมาแต่ทันทีที่เรารู้สึกตัวขึ้นมานี่ ความหลงหายเหมือนกับความมืดหายเมื่อเจอแสงสว่างการปรุงตัวกูก็ไม่มีอันนี้ละตัวกูก็ดับไปเมื่อตัวกูดับไปมันก็เบานะมันเป็นภาวะที่เบานะเพราะวางอารมณ์ลงเพราะว่าไม่มแบกตัวกูนะมันก็ทาให้เกิดความสุขอย่าง อ, าอย่างลึกๆนะ เป็นความสุขเพราะว่าเบาเพราะสบายไม่ใช่สุขเพราะว่าตื่นเต้นที่ได้เสพสิ่งที่น่าพอใจอาหารที่อร่อยเพลงที่เพราะนะี่สัมผัสที่น่าร้าใจนะมันไม่มันไม่ใช่อย่างนั้นมันควรลดรชาตนะิเป็นความสุขที่เป็นความเบาความสบายความโปร่งโล่ง และความสึกตัวนี่มันก็หล่อเลี้ยงนะด้วยด้วยสตินะไม่ลืมกายไม่ลืมใจแล้วในการปฏิบัติของเราเนี่ยเราสร้างความสึกตัวเราสร้างสติได้นะจากการฝึกให้จิตเนี่ยมันรู้กายก่อนนะกำหนดที่การเคลื่อนไหวเช่นการเดินจงกรมหรือว่าการสร้างจังหวะเป็นต้นกาหนดในที่นี้คือความใส่ใจนะ ไม่ได้แปลว่าเพง่งใส่ใจกับเพ่งไม่เหมือนกันเวลาเราทำครัวเวลาเราหั่นผักเราใส่ใจกัการทำครัวเราใส่ใจกการหั่นผักเราไม่ได้เพ่งนะสังเกตไหมเวลาเราหั่นผักเราไม่ได้เพ่งนะแต่ว่าเราใส่ใจเมื่อเราใส่ใจตรงนั้นแหละคือเราทำด้วยสติและก็จะเกิดความรู้สึกตัวตามมา เราก็จะหันผัดได้อย่างถูกต้องเมื่อมีความสึกตัวถ้ามีความสึกตัวเนี่ยมันก็ทำไปตามความเคยชินเมื่อเร า, เราขับรถนะบ่อยครั้งเนี่ยเราก็เผลอไปนะเราอยากจะไปหาเพื่อนมีธุระแต่ว่าช่วงที่ใจลอยนี่ พอถึงถนนหรือทางแยกที่เลี้ยวเข้าบ้านเราก็เลี้ยวเลยเพราะว่าทาอย่างนี้นเป็นอัตโนมัติเป็นนิสัยนะทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันไอ้ช่วงที่ใจลอยนีนะ่มันลืมไปเลยนะว่าจะไปหาเพื่อนจะไปทุระมันเลี้ยวซ้ายนะเข้าบ้านเฉยเลยนะอันนี้เราว่าลืมตัวแล้วก็เลยทําอะไรผิดพลาด การที่เราปฏิบัติโดยกำหนดที่กายนะมันทำให้เรารู้สึกนะรู้สึกว่ามือเคลื่อนไหวรู้สึกว่าตัวกาลังเดินเมื่อมีความรู้สึกตัวก็มีความรู้สึกว่ากายทำอะไรนะมันไปด้วยกันนะความรู้สึกตัวกับความรู้สึกว่ากายกาลังทำอะไร แต่ถ้าไม่รู้สึกตัวหรือเรืมตัวเมื่อไหร่ยกมือก็ไม่รู้สึกนะว่ามือยกเดินก็ไม่รู้สึกว่าตัวกำลังเดินถ้าเวลาครูบาอาจารย์บอกว่าให้รู้สึกรู้สึกเนี่ยนะก็คืออันนี้คือให้กลับมารู้สึกตัวแล้วมันจะได้รู้สึกว่ามือกำลังเคลื่อนอย่างนี้เขาเรียกว่ารู้กายเคลื่อนไหวนะรู้กายเคลื่อนไหวคือรู้สึกเมื่อกายมันเคลื่อนไหวซึ่งไม่ใช่แค่ยกมือหรือเดินกินข้าว อาบน้ำอิเลียบทใหญ่อิเลียบทย่อยเช่นเกลือน้ำลายกระพริบตานะอันนี้ก็เวลาเราทำเราก็จะรู้สึกได้แต่ถ้าเกิดเราไม่รู้สึกไม่รู้สึกตัวนะหรือไม่รู้ตัวนะเดินก็ยังไม่รู้เลยว่าเดินนะอาการปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยมันเริ่มที่รู้กายเคลื่อนไหว ให้กลายเป็นฐานของใจเพราะว่าถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวนะใจมันลอยนะหลวงพ่อเทียนท่านจะสอนว่าเนี่ยให้เวลาทำอะไรอย่าอยู่นิ่งๆนะอย่าอยู่เฉยๆเช่นอะาจจะขณะที่รอกินอาหารรอเพื่อนรอรถนะแล้วก็เคลื่อนไหวไปสร้างอิรลียบทอาจจะเป็นการยกมือหรือถ้ายกมือไม่สะดวกเราก็คลึงนิ้วไปกระดิกนิ้วไป ขณะที่เรานั่งอยู่บนกำลังถ่ายถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะหรือขณะที่เรารอให้โยมใส่บาทแล้วก็เอามื อ, อกระดิกนิ้วไปตามลมหายใจไปก็ด้วยอย่าอยู่เฉยๆต้องมีการเคลื่อนไหวอาศัยการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติเชนลมหายใจหรือว่าสร้างมันขึ้นมา อันนี้เนี่ยเพื่อให้ใจเนี่ยมันมีมันมีฐานมันมีที่ตั้งไม่งั้นมันจะลอยมันจะลอยไปข้างนอกบ้างมันไหลไปอดีตบ้างอ น, นาคตเข้าไปในอารมณ์บ้างนะต้องหางานให้ให้จิตทำแต่ไม่ใช่เป็นงานที่เป็นความคิดฟุ้งซ่านนะแต่เป็นแค่ความรู้สึกนะ ให้จิตรู้สึกว่ามือเคลื่อนไหวรู้สึกว่าลมหายใจเข้าออกให้จิตรู้สึกว่ามือกระดิกนิ้วกระดิกนะตรงนี้ไม่ททำให้สตินะเกิดขึ้นคือว่ารู้กายคือว่าเราลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ใช้ความรู้สึกนะของกายนี่แหละเป็นตัวเลี้ยงสติให้มันโต ต่อไปเนี่ยเวลามันลืมมันลืมตัวไม่มีสติพอรู้สึกว่ามือเคลื่อนไหวพอรู้สึกว่าเท้ากำลังเดินนี่มันเรียกสติกลับมาเลยนะหรือผู้อย่างคือมือเรียกจิตกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวทีแรกมีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวหรือว่ารู้รู้รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวแต่ต่อไปเนี่ย ไอ้การเคลื่อนไหวนั่นแหละที่มันจะเรียกสติกลับมามันจะเรียกจิตให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเพราะว่าจิตมันจําได้ว่าไอ้การเคลื่อนไหวนี่แหละไอ้ความรู้สึกที่มือเคลื่อนไหวเท้าไปเดินไปมานี่แหละมันหมายถึงการมีสติทีแรกมีสติอยู่กับการเคลื่อนไหว มีสติอยู่การเดินมีสติอยู่การสร้างจังหวะแต่ต่อไปตอนลืมสติไอ้การเคลื่อนไหวไอ้ความรู้สึกที่กายเคลื่อนไหวนี่แหละมันจะไปเรียกสติกลับมาเราสังเกตได้หลายครั้งที่ใจลอยนะแต่สักพักจู่ๆมก็รู้สึกได้ว่ามือกลาลังเคลื่อนไหวเพียงแค่แว บ, บเดียวเนี่ยเกิดความระลึกได้แล้วว่านี่เรากลาลังปฏิบัติอยู่นี่เรากลาลังสร้างจังหวะอยู่ หรือว่านี้เรากำลังฟังอยู่นะเวลาเรายกมือสร้างจังหวะหรือเราคลึงนิ้วขณะที่นั่งฟังมันก็มีประโยชน์อย่างหนึง่งก็คือว่ามันคอยเตือนเตือนสติให้กลับมาเวลามันเผลอไปสติมันจําได้แล้วนะว่าการเคลื่อนไหวนะอาจิตมันจําได้ว่าการเคลื่อนไหวเนะี่ยของมือของเท้านะเม่ว่าจะเป็น สร้างจังหวะหรือกระดิกนิ้วหรือว่าการเดินไปมาเนี่ยมันคือเสียงเรียกให้จิตกลับมาจากอดีตจากอนาคตอันนี้แสดงว่าจิตมันจำได้การที่จิตจำได้แสดงว่าเรีนิรนาสติสติคือความะระลึกได้ความจำได้าการสร้างจังหวะหรือาการการฝึกให้จิตเนี่ยมันรู้สึก ถึงการเคลื่อนไหวของกายนี่มันสำคัญมากในการสร้างสติให้เกิดมีขึ้นนะจิตมันจำได้เหมือนกับเวลาเราเจอภาษาต่างประเทศเจอคำคำหนึ่งนะถ้าเราท่องคำนั้นจนจนขึ้นใจเนี่ยพอเห็นคำนั้นเช่น mindfulness เนี่ยพอเห็นคำว่า mindfulness นี่ คำว่าสติมันเกิดขึ้นในใจเลยเพราะว่ามันเชื่อมโยงได้ระหว่างคาว่า mindfulness กับสตินะจิตเนี่ยมันจะเรียนรู้ได้เร็วนะต่อไปมันจะเชื่อมโยงได้ระหว่างระหว่างการเคลื่อนไหวมือการเคลื่อนไหวเท้าการเดินกับสติหรือความรู้ตัว เพราะฉะนั้นเวลาจิตมันลืมตัวไปไหลไปโน่นลอยไปนี่พอรู้สึกตัวพอรู้สึกว่ามือเคลื่อนไหวเท้าเดินไปเดินมานี่มันเรียกสติกลับมาเลยและตรงนี้แหละนะที่จะทาให้สติเราจเจริญงอกงามมากขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยพอรูกายเคลื่อนไหวแล้วต่อไปพอสติเราไวนะมันจะรู้ใจคิดนึก เมื่อใจเผลอคิดนึกไปมันก็จะรู้ทันนะนั้นรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกหรือเห็นใจคิดนึกเนี่ยนะมันเป็นมันเป็นหลักการสำคัญของการเจริญสติทีแรกนะให้กายกับใจมันอยู่ด้วยกันก่อนหลักข้อแรกคือตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่น คนที่สงสายว่าการจิตสติทำยังไงก็ให้รู้ว่าเนี่ยทยํางไงก็ได้ให้ตัวอยุดให้ตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นนอาบน้ําก็ไม่ใช่อาบแต่ตัวแต่ใจก็อยู่ด้วยนะกินข้าวก็ไม่ใด้กินแต่ตัวแต่ใจก็อยู่ด้วย né, ไม่ใช่ตัวอยู่ Нет, ยนีนนนใน่ใจอยู่นั่นอันนั้นไม่ใช่ตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นหลังจากนั้นมันก็จะ เห็นกายเคลื่อนไหวหรือรู้กายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกครนนี้พอเห็นใจคิดนึกเนี่ยนะขั้นต่อมาคือว่าไม่ว่าจะเห็นความคิดอะไรอารมณ์อะไรก็เห็นอย่างเห็นแบบเฉยๆรู้เฉยๆรู้ซื่อๆไม่ใช่เห็นแล้วไปกดคมไม่ใช่เห็นแล้วไปตะปบนะให้รู้หรือเห็นแบบเป็นกลางๆาง นะตรงนี้แหละที่คาว่ารู้ซื่อๆเนี่ยมันมีความหมายรู้กายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกรู้ว่ามีเวทนาเกิดขึ้นกับกายรู้ว่ามีอารมณ์โกรธเกิด ข, ขึ้นกับใจก็ก็แค่รู้เฉยๆแค่รู้เท่านั้นก็พอแล้วนะไม่ต้องไปทำอะไรกับไอความคิดนั้น อย่าไปพยายามไปกดข่มความโกรธเคยมีคนถามหลวงปู่ดุลหลวงปู่ดุลตุโลนะลูกศิษย์รู้่อแรกของหลวงพ่อหลวงปู่มั่นถามว่าหลวงปู่ทายังไงถึงจะตัดความโกรธให้ขาดหลวงปู่ตอบว่าไม่มีใครตัดความโกรธให้ขาดได้หรอกมีแต่รู้ทันมันเมื่อรู้ทันมันมันก็ดับไปไอ้รู้ทันเนี่ยคือรู้สู้นี่แหละนะ เมื่อรู้ซื่อแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นไม่เข้าไปเป็นแต่ถ้าไม่รู้ซื่อเมื่อไหร่จะเข้าไปกดข่มมันเนี่ยมันเข้าไปเป็นทันทีเลยนะอย่าจะ่ผักใส่ความโกรธก็กลายเป็นผู้โกรธทันทีรู้สื่ อ, อทําให้เห็นไม่เป็นและการเห็นนี่แหละนะมันสําคัญมากเมื่อเรามีสติมีความสึกตัวเราจะเห็นกายเห็นใจอย่างที่มันเป็น ไม่ใช่อย่างที่อยากเป็ น, นาการจับหลักการเจริญสติให้ได้นะอย่างที่ย่อๆมาพูยดย่อๆมาเนี่ยก็จะช่วยทําให้ไอ้ความรู้ตัวนะความเป็นผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเราทีละนิดทีละนิดจริงๆใจของเราเนี่ยมันผ่องใสอยู่แล้วนะแต่ที่มันทุกข์เพราะ ว, าว่ามันมีกิเลสมันมีอารมณ์ต่างๆเข้ามาจร อย่างที่ผู้เจ้าตรัสว่าเดิมนั้นจิตนั้นประพัดสอนนะแต่ที่มันเศร้าหมองเพราะมีกิเลส จ, จอนเข้ามาเมื่อใดก็ตามที่เราปล่อยให้กิเลสมันผ่านเลยไปไม่ยึดไม่เหนียวมันเอาไว้นะสุดท้ายใจก็ประพัดสอนเหมือนเดิมไอความสึกตัวเนี่ยมันทำให้เราได้สัมผัสได้เข้าใกล้กับจิตประพัดสอนนะซึ่งเป็นความตื่นและนํามาซึ่งความเบิกบาน อาช้าน oh, ี่ก็เพกันตอนนี้นะครับท